เดี๋ยวฟังคากันนะหลายท่านก็คงไปปฏิบัติธรรมกันมาแล้วนะบางท่านก็อาจจะครึ่งมาที่นี่นะจนังครั้งแรกนะเห็นทางพู้จัดก็บอกว่ามีมีผู้ที่มาใหม่ก็มากกบขึ้งนะแต่ผู้เก่าก็าจะก็เกือบครึ่งกันก็นะ แต่ก็คิดว่าคนใหม่ก็คงอา จ, จะเคยปฏิบัตินะมาหลวิธีการบ้างนะเดี๋ยวนี้คนในเมืองก็หาน้อยนะที่จะไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเพราะว่าจะมีคอร์สปฏิบัติธรรมหรือว่าการอบรมเนี่ยมีมีเยอะมากนะใครไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาถือว่าล้าสมัยนะตกยุคใช่ไหมมันมี เป็นกระแสเยอะซึ่งก็ดีนะซึะ่งก็ดีแต่บางทีมันก็มีหลายวิธีจนหลายคนถ้ายังไม่เข้าใจหลักการยังไม่เข้าถึงก็อาจจะสับสนวา่าวิธีการหรือรูปแบบมันมันต้องอย่างไรนะมันถึงจะถูกถึงจะดีถึงจะใช่กับตัวเราเองนะวานนี้ก็มีพิมยมสองคนนะ ผมเป็นสามีภรรยากาันก็ไปไปที่ตองปากสมิทรยันทำเขาจะมาจำพรษาที่ที่ตรงนั้นที่ปากช่องเขาบอกได้ฟังอาจารย์กำพลทางยูทูบเปิดฟังตันเครียดเครียดเรื่องเรื่องการทำงา น, นไปเข้าคอร์สก็แล้วก็ไม่เข้าใจก็ยังไม่หายเครียดพอฟังอาจารย์กำพลเนาะรู้สึกว่าเออใช่นะ สิ่งที่อาจารย์พนพูดมัใช่เลยนะเรื่องการเรื่องการมีสตินะแล้วก็ลองมาใส่การพลิกมือนะพลิกมือให้รู้สึกตัวก็รู้สึกว่าความเครียดนะความพุ้งท่านก็ก็ลดลงเลยนะอาจารย์คนก็บอกว่าเนี่ยผมขอฝากขอไรเฮ้าสนะ์อาสมวิยธรรมนะให้กับจาติธรรมนะผมชอบปฏิบัติธรรมนะ ผมฝากไลท์เทาให้คนไปใช้นะเป็นกุศลให้กับตัวเขาเองเป็นกุศลให้กับนะของผมด้วยเขาเชื่ออาจารย์งคนก็เลยมาเลย <c oughs> เป็นลูกสิษรุ่นหลังก็คืออาจารย์คนเสียแล้วนะแค่ได้ฟัง youtube ก็มาตามอาจารย์ตอนแรกก็มีคิดว่าอาจารย์จะเสียแล้วนะก็ฟังไปคิดว่าอยากจะไปหาอาจารย์แต่พอ ผ่านไปสักัาติปหนึง่งฟังไปเรื่อยๆปรากฏว่ามีตอนที่งานจบอาจารย์เนาะอ๋ออาจารย์ตายแล้วแบบนี้ <c oughs> รอ้องไห้ร้องไห้เสียดายนะเรารู้จักอาจารย์ช้าไปหน่อยร้องไห้นะแต่วันเมุ่วานก็เลยตั้งใจมามาดูซิเหมาสมเป็นยังไงนะจะได้มาปฏิบัติธรรม ถึงแม้แต่เมื่อวานนี้ก็มีคนญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเลยนะต่ามคนรู้ว่าจารคนอยู่ที่นี่นะอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่ตรงที่อาจารย์เคยอยู่นะก็มามาปฏิบัติทาวนเนาะก็ข้ามน้ําข้ามทะเลนะเดินทางไกลมาเพื่อปฏิบัติธรรมแต่เมื่อวานเนี่ยมีคําถามหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะสำหรับคนปฏิบัติใหม่ เขาก็อาจจะได้ฟังแต่ยังไม่ปฏิบัติมากเขาก็งสนทนาเขาก็ถามว่าเหมือนพี่เขาก็เรียกเหมือนพี่ะอืทํายังไงนะมันจะไม่ฟุ้สร้างนปฏิบัติทำทำยังไงจิตจะสงบไม่ฟุ้สร้างออันนี้ก็แสดงว่ายัางไมไ่เข้าใจนักว่าเราไม่ปฏิบัติเพื่อให้จิตมาสงบเราไม่ปฏิบัติเพื่อให้มันหายฟุ้สร้านนะ เขาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออ่าไปห้ามความคิดหรือให้จิต ม, มันสงบแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เรามีสติรู้สึกตัวนั้นเขาก็โอ้แล้วหนูก็ทําแบบเหนื่อยมาเราเลยพยายามไปห้ามความคิดไปพยายามทำให้จิต ม, มันสงบมันก็เลยเหนื่อยะปฏิบัติแล้วก็เลยเหนื่อยเพราะเราไปคิดว่าความคุ้งซ่านนะเป็นปัญหา แต่จริงปัญหาคือเราไม่ชอบความฟุงสร่านใช่ไหมพอเราไม่ชอบความฟุงสร่านเราก็เลยไปห้ามความพุ้งร่านมันเหนื่อยมันทุกตรงนั้นแหละนะเราเหนื่อยเราทุกข์เพราะเราไปห้ามมันนะไปห้ามเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบมันนี่แหละแต่ถ้าเรามองความพุงสร่านก็รู้นะไม่ฟุงสร่านก็รู้เนี่ยไม่เป็นปัญหาเมื่อไม่เป็นปัญหาก็เลยไม่เป็นความทุกข์นี่การ เจริสติเราไม่มองความฟุ้งซ่านนะหรือความไม่สงบเป็นปัญหามันก็เลยไม่ทุกนะฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านก็จบไม่ฟุ้งก็รู้ว่าไม่ฟุ้งนะก็จบเนะี่ยมันสบายใจ น, น, นะแต่ถ้าเราต้องไปคอยห้ามนะหรือไม่ชอบเนะี่ยไม่เป็นเหนื่อยนะนะเราต้องเข้าใจตรง น, นี้นะแล้วก็มีคำถามที่สองเขาก็ถามเดินจงกลมทำแบบไหนนะ พอเขาสวิตเขาพอเจ้าก็งงอาจารย์ที่สอนเป็นคารว่านะไปเขาก็สอนนะแล้วก็ยังไม่เข้าใจไปถามเขาก็บอกไปทําเองนะคุณทําผิดนะไปทําเองนะเขาก็ไปเขาพต้องงงนะก็เลยอธิบายเข้าไปก็เดินธรรมดานี่แหละนะเพียงแต่ให้รู้สึกตัวคุณเอ๋ก็เลยเสริมนะคุณเอ๋ก็พามาแล้วนะบอกอาจารย์ของคนเคยบอกนะ อยู่ครั้งหนึ่งนะยังคนพิการเนาะเดินไม่ได้นะแต่สอนเดินจนกรมไดม้เดินไม่ได้มาตามสื่คนปีนะแต่สอนญาติทาํามคนหนึ่งเดินจนกรมตอนนี้อาจารย์บอกว่าให้เดินเหมือนไ ป, ไปเดินช็อปปิ้งอยี่ยแต่ให้รู้สึกตัวคือพอเ ว, วาเราไปช็อปปิ้งเป็นไงเราเดินแบบสบายๆเนาะเดินแบบผ่อนคลาย สนุกสนามมีความสุขนะคือร่างกายเราผ่อนคลายเป็นธรรมชาตินะ่ะแต่เพียงแต่ว่าให้รู้สึกตัวแค่แรกะนะอ่าเขาก็อ๋อตอนแรกคิดว่าเดินจงกรมนะมันก็เขาก็สับสนเนาะเพราะว่าตอนไปเข้าคอร์สเขาบอกว่าอันนี้เขาก็ไม่บอกคอร์สไหนนะแต่ก็เขาก็งงเป็นผู้ไปรอนใหม่แล้วบอกอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูกาย สิบอร์เ็ดูจิตเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นแปดเปอร์เซ็นมันก็เลยงงนะเราจะรู้สึกแบบไหนแน่นะมันก็งงนีแต่จริงก็ท่าแบบเนี้ยนเหมือนเดินเหมือนเดินช้อปปิ้งนะหรือบางทีแม่ก็จะพูดว่าเหมือนเดินเล่นพ่อพักมันก็จะช้อปปิ้งเนาะแต่บางทีก็เคยไปเดินเล่นในสวนในป่าน่ะก็เหมนเหมือนเดินเล่นในสวนสาธารณะเหมือนเดินชมป่าเนาะ เดินผ่อนคลายสบายๆนะแต่เป็นแต่ว่าให้เรารู้ตัวนะรู้ตัวขณะที่เดินนะนะแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคิดนะว่าเรากําลังเดินอยู่นะหรือว่าขาฝว า, วาวมันก้าวหรือว่ากระทบลงไปไม่ต้องไปพูดนะแค่รู้สึกนะเดินแล้วก็รู้สึกตัวนะอันนี้คือ นี่คือหลักการนะพอถ้าเราทําแบบนี้นะมันก็มันก็นกทําได้ง่ายคือนักปฏิบัติธรรมใหม่ๆบางทีพอคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะเราจะคิดว่าเหมือนเราต้องไปทําอะไรที่มันมันผิดธรรมชาติหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันผิดศรัทธาหรือว่าต้องทําอะไรมากๆนะพอไปคิดแบบนั้นนะมันจะเริ่มกลายเป็นคนผิดธรรมชาติแนละ้ว การเป็นคนไม่ธรรมดาคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องมีอะไรที่มันพิเศษนะหรือว่าไม่ปกตินะก็เลยต้องเดินเกรงๆนะหรือว่าทำตาเบอร์เบอร์อรนะหรือบางทีก็ต้องคิดว่าต้องดับตาืนะอต้องเดินช้าๆทำใดช้าๆแต่จริงปฏิบัติธรรมจริงๆมนควรที่จะฝึกให้มันใกล้เคียงกับ ธรรมชาตินะเพราะว่าอะไรเราจะได้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะมันก็ยากที่จะเกิดผลเพราะว่าอาศัยความต่อเนื่องแต่เพราะว่าอคำว่าต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหลงเลยนะนะอาจจะหลมบ้างแต่เราจะเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมมันทุกอย่างในชีวิตเราอ่ะมันปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดนะ อย่างวิธีการจริตนติตแบบเคลื่อนไหวเราก็อาศัยการเคลื่อนไหวเนะ่เบื้องต้นอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นแหละให้มันมีสตินะคือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะก็มีสติในสิ่งที่เรากำลังทำนั่นแหละนะอย่างแต่ก่อนมันก็ไปพูดคุยไปเล่นกับอาจารย์กระพุ่นบ่อยๆนะก็นอนอยู่บนเตียงเดินไม่ได้มันทียกมือก็เมื่อยละแต่บางทีมันก็ออ ก็เปลี่ยน เ, ยเอเวอร์บ้างพักพักหงุดนะ ต, นตื่นเช้าตื่นเช้าตื่นมาต่อพักแล้วนะเรียบร้อยแล้วแต่บางทีมันก็มันคลายๆมันก็เปลี่ยนอารมณ์บ้างนะเพราผมที่พักเดียวนะก็รือ้อามาใหม่ก็พักใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนตับสนหรือว่าไม่ใช่ว่าทําอะไรกับยังคิดยังทํานะแต่คืออาศัยรูปแบบที่ทําอะไรได้นะ่ะก็ทํำนะอยู่บนเตียงไม่มีอะไรทําก็ พักผ้าห่มนั่นะเป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่คนส่วนใหญ่ที่พักผ้าห่มให้มันให้มันเสร็จๆเนาะบางคนก็ไม่อยากพักเลยซ้นนะขี้เกียจนะบางคนก็พักแบบพอให้มันเสร็จๆไปแต่เนี้ยอย่างแจรงคนอาศัยการพักผ้าห่มเป็นการฝึกสตินะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบนะคือสติทุกอยากในการใช้ชีวิตธรรมะนะตื่นขึ้นมา เราก็พัดเข้าห่มยังมีสติอนะแปลงฟันยังมีสติรู้จักไหมแปลงฟันยังมีสติไม่ใช่ปากสะอาดเท่านั้นนะแต่ใจเราก็สะอาดไปด้วยนะล้างหน้านะก็ไม่ใช่แค่ล้างหน้าพอกสบู่นะแต่เรล้างขณะที่ล้างหน้าก็นะาาาากมีสตินะอาบน้ําแต่งตัวนะก็มีสตินะมันทาได้ทุกอย่าง น, นะมีสติคืออะไรก็คือว่า กายทำอะไรใจก็อยู่ตรงนั้นนะกายทําใจก็รับรู้อยู่กับการกระทํานั้นนั้นแต่บางคนทําแต่กายแต่ใจนี่กระโดดไปก่อนนะนะใจบางทีก็กระโดดไปอดีบางทีก็กระโดดไปอนาคตนะอันนี้คือตัวใหญ่ใจจะเป็นแบบนั้นแต่การมีสติก็คือว่ากายทําอะไรก็ใจก็อยู่ตรงนั้นะทําด้วยยอู่ด้วยกันะ อ, นะอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันคึอการรับรูนะ้รับรู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายนะกายแป็นฟันใจก็รับรู้การรู้นี่ไม่ใช่ต้องไปพูดเป็นคิดนะไม่ต้องแคนกาลังแปลงฟันแค่กาลังอาบน้ำเลยเนะี่ยไม่ต้องไปพูดแค่รู้สึกรู้สึกถึงกายที่เขากำลังกระทบหรือว่ามีการเคลื่อนไหวอนะไรเนียรู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายนะนี่คือ คอยตามรู้สึกแบบนี้นไปเรื่อยๆกายทำอะไรไม่ต้องช้าเกินไปก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าทำให้เป็นจังหวะที่ที่เรารู้สึกตัวได้นอกจากบางคนมักจะมักจะเผอในเวลาทำบางอย่างก็อาจจะเพิ่มความตั้งใจไปหน่อยเช่นมดบางทีก่อนแปลงฟานตั้งใจก่นอนแล้วก็แปลงยังมีสติเส่ในนัน่ะหรือบางคนกินข้าวแล้วก็เผลอบ่อย ตั้งใจก่อนเขี้ยวว่าจ ะ, ะมีสติมากขึ้นเหรือบางคนก็จะเขียวให้ช้าลงนิดนึงไม่ต้องบดช้ามากๆก็ได้นะแต่หมายถึงว่าเพื่อเราจะได้ใส่เจตนาเข้าไปไอะไรที่เราหลงไปบ่อยเราใส่เจตนาเข้าไปสักหน่อยะแต่ไม่ใช่ทําให้แบบเครียดนะคือเหมือนคล้ายๆตั้งใจนิดนึงน่ะมันมักจะหลงก็เลยเออตั้งใจนิดนึงอันนี้ยคือเรียกว่าเติมสติเข้าไปน่ะ เพราะคนส่วนใหญ่มันจะสุดโต่งอยู่คนทั่วไปส่วนใหญ่สุดโต่ง ด, ด้นไหนด้านหลงหลงไปฟุ้งซ่างหลงไปคิดหลงไปอดีตไปอนาคตที่เราเพิ่มความตั้งใจสมุ น, นไพใช้ดึงให้มันกลับมาอยู่ทางสายกลางแต่บางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมต้องเพ่งเข้าไว้นะมันก็จะสูดต่งด้านเพ่งต้องเครียดต้องจ้องไม่ให้มันหลงเนี่คือด้านตลงเลยอันนี้คือด้านเพ่งไว้ ความตั้งใจเนี่ยไม่ใช่ไปเพ่งนะความตั้งใจคกลับมาพอดีกลับนะมาตรงการแต่บางคนพอตั้งใจมากกลายเปเครียดนะเป็นจ้องมันดงในทางนี้นะเราก็ฟุ้งร้านละนะกลับมาหรือจิตมันเครียดการัเครียดนะกลับมาผ่อนคลายสักหน่อยเนี่ยกลับมาหาทางตรงกลางนะแต่บางคนกระโดดข้ามปุ๊บพอพุ้งก็เพ่งเลย พอเพ่งก็ปล่อยเลยนะมันก็เลยข้ามตรงกลางนะแต่เรากลับมาตรงกลางคือตรงไหนตรงที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือนะเห็นตัวก็ทํางานนะใจรับรู้นะอยู่ตรงนั้นนะกายทําอะไรใจก็รับรู้นะนะเราก็เลยบางทีเราก็เราก็ตามเป็นรูปแบบหลายๆอย่างนะเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะหรือนั่ง อาณาพาณิสตินะนะดูท้องทองยุกก็คือที่จริงก็คือดังจริงคือให้ดูนะให้ดูให้รู้ไม่ใช่ไปอยู่นะให้ดูให้เห็นแต่อย่าเข้าไปอยู่กับมันถ้าเข้าไปอยู่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นความสงบนะมันจะเป็นสมาถะนะมากเกินไปแต่เราเพียงแค่รู้สึกนะแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของร่างกาย เราก็รู้สึกแบบเนี้ยบ่อยๆหลงไปบ้างช่างมันหลงไปบ้างหน้าที่เราคือกลับมานะไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อให้ไม่หลงแต่ปฏิบัติเมื่อมาหลนไปรู้ทันกลับมานะคือกลับมาถ้าทําแบบนี้ยมันจะสนุกโยมแต่ถ้าไปตั้งเป้าว่าห้ามหลนนะห้ามฟุ้งนะมันจะเครียดเลยเหมือนเราทํางานแล้วแบบกลัวผิดอ่ะมันจะแบบฉันต้องเต๊กฉันต้องเนีย้ยฉันต้องไม่พลาดเลยเนะี่ย มันจะมันจะกังวลมากนะแต่จริงเหมือนเราพิมพ์นะดนะหรือกดมือมือถือนะผิดก็าโทผิดแล้วก็กลบแค่นั้นนะลบ ก, ก็แก้ถูกใหม่ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเรากลัวจะจะผิดเนี่ยผมจะเกรงนะอจะเกรงนะแต่ถ้าเราผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็กลับมานะใช่ไหมนะมันจะง่ายดังนะนั้นผิดแล้วก็กลับมานะผิดแล้วก็กลับมาก็คือ หลงไปก็กลับมาเครียกไปเพ่งไปก็กลับมาก่อนคลายนะี่ทำอันนี้เรื่อยๆมันจะแล้วเราแล้ใจนะมันจะปรับมันเองนะใจมันจะปรับก็แบบนี้มันถือพอดีแบบนี้คือเครียกไปทั้งใจไปแบบนี้มันฟุ้งไปนะใจมันจะรู้จักพอนพอดีเหนะมือนเราขัดขับรถเหมือนเราหาหัดทําอะไรอนยะู่น่ะ อ๋อแบบนี้ที่เราพอดีนะมันจะรู้เองนะมันจะบอกเป็นคําพูดไม่ได้แต่เราจะรู้สึกอ๋อจับแบบนี้พอดีนั่งแบบนี้พอดีอะไรน ะ, ะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะรู้สึกอ๋อเดินแบบนี้เออก็แค่เดินแบบนี้เหน็นนะแต่ก่อนไปเดินผิดเอลยยกมือก็เหมือนกันนะเออแต่เรายกมือนะในชีวิตบางทีมันยาวนะแต่ในรูปแบบบางทีเราก็เลยแบบ ตัดให้มันรู้แบบกระชับทีลนะครั้งนะเช่นพริกมือรู้สึกยกขึ้นรู้สึกนะวางลงรู้สึกรู้สึกทีละครั้งไม่ใช่แบบแบบรู้แบบยาวๆางทีมันก็มันไม่รู้ว่ารู้ตรงไหนนะแต่บางทีว่ารู้สึกุทีละครั้งมีจังหวะเคลื่อน มีจังหวะหยุดรู้เป็นครั้งบางคนจะรู้เด่นที่การเคลื่อนบางคนรู้เด่นที่การหยุดบางคนรู้เด่นที่การกระทบตัวไหนก็ได้แต่จิตเราจะรับรู้อารมณ์ทีละย่างเหมือนจะมาพูดใช่ไหมพูดทีละคำนะหรือบางทีก็ต่อเป็นทีละประโยคแต่ถ้าพูดแบบยาวๆตลอดนะมันก็เหนื่อยใช่ไหมการหยุดก็ทําให้มันร่างกายไม่เหนื่อยจิตใจเลือไม่เหนื่อยนะมันก็พัก รู้จบเนี่ยจบรู้ใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่นะมันมันสบายนะมันก็ทํานะรู้ทีละทางเดินก็เหมือนจะรู้ชัดที่การเคลื่อนรู้ชัดที่การกระทบตรงไหนก็ได้แต่เพียงแต่ว่าอย่าไปจ้องอยู่ส่วนในส่วนหนึ่งเนาะเดิมเรารู้ว่ากําลังเดิน ไม่ใช่ไปรู้เท้าที่เดินรู้ขาที่ก้าวแต่รู้สึกตัวที่เดินอยู่ะไม่ต้องไปพูดเพื่อคำว่าเารากําลังเดินนะเดินเพื่อรู้สึกยกมือก็เพื่อรู้สึกหยิบแก้วน้ําก็เพื่อรู้สึกคําว่ารู้สึกเนะี่ยไม่ต้องไปแบบรู้สึกว่ากําลังหยิบแก้วนะ้ํารู้สึกว่ามันเป็นนี่เป็นนี่นะทําเพื่อให้เกิดความ ร, รู้สึก <c oughs> ไม่ใช่รู้สึกว่ากําลังทําอะไร มันจะอันนี้ก็บอกไว้นะแล้วก็ให้เราต้องลองฝึก ด, ดูเนาะนี่คือเมื่อเรารู้สึกตัวที่ร่างกายที่กรงทางําพอใจมันเผลอล้วก็เห็นใจมันเผลอใจมันมีความสุขก็รู้ใจมันมีความทุกข์ก็รู้ใจมังุ่งซ้ก็รู้เนี่ยมันจะเริ่มพัฒนาจากการที่รู้กายต่อไปก็จะรู้เวทนา ก็คือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยก็ดีเราก็จะรู้หรือจิตนะจิตมีความโกรธก็รู้จิตมีความอยากความโลภก็รู้จิตมันหลงไปคิดไปง่วงนะมันก็รู้นี่คือมันก็จะเห็นองเนี่กายเวทนาจิตแล้วก็ทำกระบวนการทำมาลงต่างๆมันก็จะเห็นมันไม่ใช่ว่าจะเห็นอย่างเดียวนะตัวกาย ก็เห็นจิตนะหลวงพ่อเทียนเขบอกดูกายก็เห็นจิตดูคิดก็เห็นธรรมดูกรรมก็เห็นจิพานดูอาการก็เห็นปรมัาทเริ่มต <c oughs> ้นจากตรงนี้รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวดูกายแล้วก็จะเห็นจิตใจนะดูจิตใจก็จะเห็นความคิดเพราะความคิดกับใจเป็นคนอ่านกันนะ แต่ก่อนเราคิดว่าความคิดคือเราความคิดคือใจจริงๆแต่พอเห็นจริงๆเนี่ยใจปกติมันก็อันหนึ่งใจที่มันคิดมันแทรกเข้ามาก็อันหนึ่งมันผุดขึ้นมามันคนอ่นกันนะอืแล้วก็ไม่แต่ความคิดก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราเนี่ยแต่ก่อนเราทุกข์เพราะเราเพราะเราเครียดเพราะเราคิดนะคิดว่าเราคิดไม่ดีคิดว่าเรา คิดแล้วกโกรธนั่นนี่เอาความคิดเป็นเราแต่พอมีสติเหอาเห็นความคิดความคิดก็เป็นเพียงแค่อาการอาการมันก็แยกได้เพราะระหว่างความคิดกับจิตก็พลานกันดูกัน น, กรรนะก็เห็นนิพพานคืออะไรในการกระทํานะก็คือเห็นนะเห็นกายมันทําเห็นกายมันพูด เห็นใจมันคิดนั่นแหละดูคำนะที่จริงในกายที่ทําในกายที่พูดในใจที่คิดนะมันก็มีสภาวะนิพพานอยู่ตรงนั้นอะไรก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดมันมีสภาวะที่มันไม่เป็นอะไรอยู่ก่อนนั้นนั้นมันมีสภาวะปกติมาก่อนแล้วเราก็ทำํำถึงขณะที่ทําถ้าทําอย่างมีสตนะิเดินอย่างมีสติ คนนิพพานทุกอย่างก้าวพูดยังมีสตินะก็จะเจริญมักถถึงนิพพานอยู่ทุกขณะที่ทำหรือเห็นใจมีคิดรู้สึกแค่เป็นแค่ความคิดไม่ใช่เราก็พบว่านิพพานก็อยู่นั้นนั่นแหละนิพพานอยู่ทุกที่นะหลวงพ่อเขียนแล้วก็พูดบ่อยๆนะแบบต้องบอกว่าฟังเสียงทุกเสียงนะเป็นเสียงสวดมนต์ มองคนทุกคนนะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ในไหนก็มีนิพพานอยู่ที่นั่นเข้าใจไหมเข้าใจยังไงเสียงตาเป็นเสียงส่วนมนใช่ไหมเสียงดังๆรบกวนข้างบ้านเอาฟังเป็นเสียงส่วนมนได้ไหมก็คืออะไรนะบางทีเกิดเสียงบางอย่างเนาะ ไม่ชอบใจลําคาญใจเสียงสดมนั่นเิงก็คือเสียกแสดงธรรมะนะั่นแหละคือเห็นใจที่มันลาคาญเห็นใจที่มันชอบเห็นใจที่มันไม่เที่ยงนะเห็นไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะเพลงดังๆอี่างชอบชอบนะแต่พอแก่ขึ้นมารูปเปิดเพลงดังๆอย่างไม่ชอบเลยนะมันไม่เที่ยงอะไรเพลงนี้เคยรู้สึกมันชอบนะแต่พอฟังตอนนี้ทำไมมันเฉยนะ อะไรอะไรติดใจที่แท้จริงใช่ไหขึ้นะเนี่ยหรือคำพูดนะเราจะเห็นว่าวันนี้เขาก็ชมเราเมืม่อวานเขาอยังด่าเราก็มีนะนะนี่ว่าตกหัวแล้วก็รูปหลังก็มีนะบางคนบางคนรูปหัวก่อนแล้วก็ตกทีหลังก็มีนะ <c oughs> เอ า, าไม่ได้นะนี่คือฟังเสียงทุกเสียงนะเป็นเสียงสมดวนลขึ้นใน ฟังแล้วเห็นการเหินใจตัวเองไม่ใช่เป็นฟังเอาถูกเอาผิดกับเขาฟังแล้วเห็นตัวเองเห็นตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรในแบบเนี้ยเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็เห็นเนี่ยถ้าฟังเนี้ยจะเป็นการสวดมนต์ไม่ใช่ฟังแล้วแบบมันต้องเฉยนะต้องปกติหรือฟังแล้วต้องมีแต่ความสุขเหมือนเราคิดว่าสวดมนต์แล้วมันจะได้สุ ข, ส, ขสบายไม่หลงไม่ใช่แต่ขณะที่เราสวดมนต์เราเห็นไหม บางทีก็ใจก็อยู่กับการสว่วนมวลบางทีใจแล้วก็ลืมอ่านข้ามไปก็มีหรือคิดแท้ไปก็มีแต่การเขียนแบบนั้ดีนะทีเราเห็นว่าเดี๋ยวใจก็อยู่กับการตรวจเดี๋ยวใจแล้วก็ลืมไปเดี๋ยวใจก็เกิดคิดอะไรก็มีรู้กานแทรกเข้ามาฟังเสียงทุกเสียงนะโลกธรรมสแสดงความจริงเขาชอบเราเขาก็สรเสริญเขาไม่ชอบเราเขาก็นินทา บางคนก็ไม่ชอบเราก็สรรเสริญให้เราหลงก็มีนะเราก็ชอบเรานะักแต่แต่ตําหนิให้เราเพื่อให้เราปรับปรุงตัวก็มีเนเราก็ฟังแล้วก็น้องเข้ามาใส่ตัวมองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะยากหม่ยคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะมองเป็นปีศาจเราจะมองเป็นมารใช่ไหอืมเราจะมองไม่เท่ารู้เขาเนีมองอังไม่เทะาร เพราะทุกคนมีธาตุความเป็นพุทธะใช่ไหมถ้าเรามองเห็นจริงๆ่ เ, เนี่ยก็เพียงแค่เข้าหลงเขาก็เลยทําแบบนั้นที่จริงเขายังมีความเป็นพุทธะอยู่ในนั้นที่จริงเรามองเขาแบบนั้นน่ะที่จริงใจเราก็เป็นปีศาจโฟกัสนั่นแหละใช่ไหมถ้าใจเราเป็นปีศาจเราก็มองเขาเป็นปีศาจใจเราเป็นพุทธะเราก็มองเขาเป็นพุทธะได้เพราะ เราก็ไม่พอใจเขาเราก็เลยมองเขาอย่างนั้นมันก็เลยภาพที่เห็นก็คือภาพสะท้อนในใจของเราเองอืมเนี่ยถ้าเรายังมองไม่สะดุตรงนี้นะมันก็จะมองคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยงั้นอย่างงี้คนนี้เราชอบคนนี้เราเราไม่ชอบเราเกลียดตรงน่้ น, นะแต่จริงถ้ามองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าก็คืออะไรพระพุทธเจ้าก็คือเราเนี่ยแหละหรือเราเองในอดีตกับตอนนี้ ก็อันก็คืออะไรใจที่เป็นพระพุทธเจ้าคือใจที่พัฒนาต้นเองเลยเราเองก็เคยตกอแบบเขาเนะนะี่ยแหละเราเองเคยทุกเราเองก็เคยไม่เข้าใจนะเรื่องของชีวิตเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เราก็เคยหลงนะมองจริงๆก็คือพอมองคนหลงเนะี่ยเราจะสงสารแต่ถ้าคนไม่ค่อยปฏิบัตินะมองคนอื่นที่หลงหรือมาทำร้ายเราจะมองเป็น ต, ตัตูมอง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ที่จริงพอเรามีสติจริงเรามองคนที่เข้าหลงมันไม่เป็นความโกรธมันเป็นความสงสารเข้ามาเพราะเห็นว่าเขาเขาหลงเนี่ยมันหน้าสงสารไม่ใช่หน้าโกรธแม้ใจะจะโกรธนะแต่พอมีสติมันจะเปลี่ยนจากโกรธจะสงสารแต่ถ้าไม่มีสติโกรธก็โกรธยาวนะแต่ถ้ามีสตินันโกรธปุ๊บความโกรธหายไป กลายเป็นสงสารก็มาแทนที่นะแต่ก็จะเห็นว่าที่จริงถ้าเขารู้ตัวนะเขาก็กลับมาเป็นปกติก็เหมือนกับเรานะ่นาะคือมองเขาก็เห็นอดีตัวเอง <c oughs> เราก็เคยโกรธแบบนั้นเราก็เคยดงแบบนั้นนะมันก็เห็นตัวเองอแต่จริงมันก็พัฒนาได้คนทุกคนสัตทุกชีวิตนะพัฒนาได้จากความเป็นคนกลายเป็นมนุษย์จากเป็นมนุษย์กลายเป็นพระ จากกลายเป็นพักก็เป็นผู้พุทธเจ้าได้คือพัฒนาบางคนมักจะถามอาจารย์ภาวนาคืออะไรอาจาก็จะมักจะบอกว่าภาวนาก็คือพัฒนานึ่นแหละเข้าใจไหมบางคนภาวนาคือต้องบรดิกรรมต้องท่า น, นั้นท่า น, นี้จริงๆภาวนาก็คือการพัฒนาพัฒนาในที่นี้คือพัฒนาใจพัฒนาวัตถุภายนอกเนี่ย แต่ไม่ไม่ใช่ภาวนาก็ได้แต่ที่เน้กนะ็คือพัฒนาใจเนาะพัฒนาใจจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานกะลายมาเป็นคนกลายมาเป็นมนุษย์กลายเป็นพระกลายเป็นพุท ธ, ธนี่คือพัฒนาจะทำอะไรก็ได้นะพัฒนาทางนั้นภาวนานั้นบางคนปเป็นจิตอาสาทำนั่นทำนี่ต้อเกิดการพัฒนาจิตใจได้เองเช่นขัดเกลา ความเห็นแก่ตัวบดตัวตนลงไปนะนนะเสียตามนั่ก็คือการภาวนานะเนี่ยแต่ภาวนาไปสมุติบาคนมาจิตอาสาแล้วกูดีนะก็คนนี้ไม่ทําไม่ดีเนะีอาจจะไม่ได้พัฒนาไม่ใช่ภาวนาก็ได้นะอืมบางคนมาปฏิบัติทำละเราดีเรามีศีลเราเป็นนักภาวนาคนนั้นยังหลงอยู่ยังทําคิดอยู่อาจจะไม่ใช่ภาวนาก็ได้ถ้ายัง ตัวตนมันใหญ่ขึ้นนะเออแต่เพราะนั้นจริงๆคือการละตัวตนนะละความโลภความโกรธความหล ง, งไปเนะี่ยคือจิตมันเบาขนะึ้นเบาเพราะว่าไม่ไปยึดไปแบกนะตัวตนหรือว่ากิเลสตัณหาเป็นเราเป็นของของเรานี่คือการภาวนาเนะาะทัดยอมเข้าใจนะภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจจะทําอะไรก็ได้พัฒนาจิตใจเนี่ยนะคือการภาวนาทังนั้นไม่ใช่รูปแบบ แต่รูปแบบก็ทําเพื่อเป็นเป็นเครื่องประกอบนะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตให้มันมากขึ้นก็คือดังนั้นอืมนี่คือเรานะดูกรรมดูความกระทำของตัวเราเองก็จะเห็นนิพพานอยู่ทุกขณะก็คือเห็นความเป็นปกติเห็นความไม่ทุกข์อยู่ทุกขณะนั่นแหละนะในทุกการกระทําไม่ต้องรอนิพพานตอนเป็นพระอรหรันต แบบนิพพานทุกขณนะจิตเราสามารถทำได้หลวงพ่อพุทธทาสเาบอกเป็นนิพพานชิมรองเคยชิ ม, มัหยจิตที่ปกตินะเนี่ยเราชิมรองเนะี่ยเราจะมจั่นใจอ๋อคือตรงนี้นี่เองนะแม้ยังไม่หมดกิเลส น, นะแต่ก็สมัมผัสกับสภาวะปกติได้บ้างมันจะเกิดอ๋อธรรมะอู่ตรงนี้ธรรมะ พุาธปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นี่เองมันจะมันจะมั่นใจถ้าเราถึงบางข้อตรงนี้ได้บ้างนะความสงสัยมันจะลดลงไปเป็นอย่างนักปฏิบัติธรรมหลายคนสงสัยในวิธีการสงสัยว่าเราปฏิบัติแบบไหนดีสงสัยว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่เพราะยังไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้นะจะเข้าใจปฏิบัติรูปแบบไหนเราก็เข้าใจเพราะเราวางใจมันถูก แต่ทําในรูปแบบปฏิบัติรูปแบบปฏิบัติอ๋อก็แค่ mm. ทำแบบนั้นกลับมาดูตัวเองกลับมารู้สึกตัวก็เข้าถึงก็เป็นปกติได้นี่แหละนะดูกรรมก็เห็นนิพพานดูอาการก็เห็นปรมัาปรมัตาคือความจริงคือสัจจะคนก็ต้องสมมุติ <c oughs> แต่ถ้าเราดูอาการจริงนะอาการจริงเขาแสดงอาการเกิดแล้วก็ดับ พระโ ส, สดาบานันท่านเห็นความจริงแลนะท่านเห็นว่าอะไรทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุถ้าดับก็ดับที่เหตุหรือสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวง ก, ก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นเห็นอาการเกิดดับภายใจิตนี่คือความจริงคือปรมามะเห็นมากตอนนั้นก็คือเห็นว่าอาการต่างๆ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตานะมันก็เลิกยึด ม, มั่นสืบ ม, มันในในรูปในนามเนี่ยว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะมันก็ไม่ถุกนี่คือเห็นปรมัตที่แท้จริงนะนี่คือเรื่องราทั้งหมดนะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดของการปฏิบัตินะเราก็ นะต้องเอาไปทำดูนะถ้าใครอยากจะพิสูจน์ความจริงตรงนี้นนะก็ตั้งใจศึกษาก็ดูนะจะได้ไม่เสียชาติเกิดบางทีก็ต้องคิดนะบางทีถ้าเราตายไปเกิดไปเป็นอะไรนะไม่แน่นอนนะจะเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะมันก็น่ากลัวนะ โยมันหนึ่งก็มาเล่าในตำนานตอนต้นพรรษาก็ก็ม า, มาบอกเรื่องจำคำพ่ออาจารย์ตอนหนึ่งได้นะตอนที่เป็นสอนเด็ ก, ออกมาก็ก็คล้ายๆก็คุยกับครูด้วยคุยกับเด็กด้วยนะยาะโยมคิดดูสินาะอย่างมาก็ดูตัวเองนะะตั้งแต่ตอนเด็กจนมาถึงตอนนี้เนาะเราเกิดมาในสังคมตอนที่เราเป็นเด็ก กับสังคมทุกวันเนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะลอนคิดดูอีกสิสมมุติถ้าเราตายไปตอนนี้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ทันทีเนี่ยเราต้องเจอับสภาพสังคมที่มันบุ่นวายมากขึ้นจะอยู่กัยังไงน่ากลัวนะมันเหนื่อยนะกว่าเราจะพ้นไปเด็กจะถึงตอนเนี้ยก็มีเรียกว่ามีทางแยกหลายทางมากบางทีเราจะ กือบลงไปนบางคนก็ลงไปแล้วกลับมาใหม่นะี่มันเยอะมากถ้าเราต้องตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ต้องมันเจอทางแยก อ, อีกเยอนะแยนะมากมายโอ้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะนก็เหนื่อยทั้นั้นชาตินี้นะดีแล้วตอนนี้เราเจอทางแยกแล้วนะเจอทางธรรมะแล้วนะเราจะเลือกเดิมไหมหรือจะเลือกไปทำเดิมออนีอ่นคือแต่การเลือก นะทางทำก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทิ้งทางโลกนะเรามีครอบครัวแล้วก็อยู่กับครอบครัวก่อนเราทําการทํา ง, งานแล้วก็ทําการทํา ง, งานก่อนแต่เพีเยงแต่ว่าการวางใจเนาะให้มันเอาธรรมะเข้าไปประกอบบางคนนะทา ง, งานก็ไปคิดแต่ว่าความสำเร็จของงานคือตัวตนของเราคือความสุขความภูมิใจความสาเร็จของเรานะ ถ้าเรามีธรรมะเข้าไปประกอบจะเห็นว่าอันนั้นเป็นเพียนแค่คนประกอบนะแต่ถ้าคนที่มีสตสิิถึงจะมีความสุขมากกว่านะคนอาจจะไม่รวยมากแต่ถ้ามีสติมีความพอก็มีความสุขมากกว่ามันจะเห็นนะนะเห็นว่าอที่จริงภายนอกนะหน้าที่การงานชื่อดีเฉลี่ยยอดมันก็เป็นแค่ส่วนประกอบแต่ชีวิตเราควรจะมีธรรมะเข้ามาประกอบหรือการมีครอบครัว ก็จะไปอย่าเป็นยึดติดแต่ว่าความสุขของเราต้องรูปต้องเก่งต้องรูปต้องน่ารักต้องสามีต้องอย่างนั้นอย่างนี้ภรรยาต้องอย่างนั้นอย่างนี้น่ะเราจะไปฝากความสุขของเราไว้กับคนอื่นกับสิ่งอื่นถ้าฝากไว้มันก็มีโอกาสที่จะทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงเก็นอกใจก็เปลี่ยนไปนะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงทุกข์เพราะความพัดผ้าใน่ไห เขาตายไปเขาหายไปเนี่ยมันทุกขพาะต่นี้นะจะเป็นฝากไว้ต้องฝากไว้กับตัวเราเองถ้าเราฝากไว้กับตัวเราเองเราจะเข้าใจเขาเปลี่ยนมันก็ถูกก็แล้ว <c oughs> เป็นอบนี้จัง <c oughs> เขาตายไปมันก็เป็นทุกขขังของเขาก็าต้องแก่จ็บตายธรรมดาแต่เราเองยังมีชีวิตอยู่เราก็ยังต้องอยู่กับโลกต่อไป เราไม่ปากความสุขความทุกข์ไว้กับคนอื่นแต่เราจะปากไว้กับการที่เรามีสติหรือไม่ถ้าขาดสติไปก็ทุกข์ถ้ามีสติก็มีทุกข์นะก็เปียกเหมือนเป็นเกมชีวิตบองคนชอบเล่นเกมนะไปตามหาโปเกมอนนะหาหาที่นั่นที่นี่นะเออไมาก็ เห็นคนทาหาโปเกมอนนะมาคิดถึงองปู่มันนะองปูมันท่านเดินจํากรทําไมก่อนนะชาวเขาเห็นองปูมันเดินจํากรมมาแอบดูก็มาหาองคูมันเอประมาณพุทธเจ้าพุทธเจ้าเดินหาอัญมณ์องคูมันก็บอกเขาคงไม่อธิบายมากเขาเดินหาพุทธโท ยักเชื่อในอะพูนไม่ค่อยเก่งนะเพระาระสายมืออะยักเชื่อในะเดี๋ยวคล้ยๆเดี๋ยจะช่วยหาอจะหาพุโทโธนะโอ้โหมันก็ออกกบายนะนะจะเดินจากตรงนี้กลับไปกลับมานะแล้วก็ท่องพุโทโธในใจอทองพุโทโธในใจอเจ้าเขานะด้วยความใส่ซื่อนะใจเมตตาเดี๋ยวจะช่วยหลวงปู่หาพุโทโธนะ ไรเดินกลับไปกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธอนะก็เจอพุทโธก็คือเจอใจที่สงบใจที่รู้นะเขาเป็นครูบาครูบาจารย์นะที่ให้เดินหาพุทโธนะก็เจอพุทโธในใจนะไม่ใช่พุทโธไปเก็บโปเกมอนที่ไหนไปเก็บพุทโธที่ไหนนะแต่ที่เห็นพุทโธอยู่ในใจของเราเองมาก็เออเนี่ยครูบายรุบายจารอืมพวกเรายก็เหมือนกันนะ นะเดินไปความรู้สึกตัวก็อยู่กับเรานะพุทธะก็อยู่กับเรานะอยู่ตรงที่มันรู้สึกนั่นแหละลองตามหาตรง น, นั้นนะแต่จริงไม่ใช่การตามหาหรอกมันมีอยู่แล้วเพียงแค่สัมผัสมันนะธรรมะไม่ได้ไปหานอกตัวแต่คือมันอยู่ในตัวของเรานะนะเรากพยายามฝึกกันนะแล้วก็เราก็จะพบธรรมะนะพบความมิตทุก ก็อยู่กับเราอยู่ทุกขณะทุกการกระทำทุกความพูดทุกความคิดนะมันมีธรรมะมันมีความไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นนะและชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่เรียกว่าสมบสุขขึ้นไปเนาะนะกไว้นะนะนะ